พระฉันนะบรลุอรหัตตผลต่อมาท่านพระฉันนะอึดอัดเบื่อระอารังเกียดด้วยพรหมทันจึงหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหลากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระฉันนะได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านฉันนะได้บรรลุอรหัตตผลแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอ น, นุ์ถึงที่พักครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอา น, นุ์ดังนี้ว่า ท่านอานน์เวลานี้ท่านโปรดระงับพรหมทันแก่ผมเถิดท่านพระอาน o ์กล่าวว่าท่านฉันนะเมื่อท่านบนรรลุอรหัตตผลแล้วพรหมทันของท่านก็เป็นอันระงับไปก็ในการสังคยาาพระธรรมวินัยครั้งนี้มีภิกษุห้าร้อยรูปไม่หย่อน ไม่ยิ่งดังนั้นการสังขยนณาพระธรรมวินัยครั้งนี้จึงเรียกว่าปัญจสติกะปัญจสติกะขันธกะที่สิบเอ็ดจบ ในขันธกะนี้มีย3ามเรื่อง